เดี๋ยวนี้มันก็เข้าเจวันอันตรายแล้วนะเห็นไวมเขาไปตั้งป้อมไว้สลับเช็คตรวจ ด, ดูคนสงกรานเนี่ยเจวันอันตรายคนชอบกินเหล้ายามสงกรานเนี่ยต้องมีเจ้าหน้าที่เฝ้าตามซอกตามซอยตามทางเข้าหมู่บ้านออกหมู่บ้านเจวันอันตรายพวกเมาเนี่สําคัญที่สุดเมา รู้อยู่ว่ากินแล้วเมาเมาแล้วอันตรายแต่เลิกไม่ได้ละไม่ได้เว้นไม่ได้คนเรามาเสียท่ากันตรงตรงตรงนี้แหละเนี่ยตรงที่รู้ว่ามันจะเมาแล้วยังจะกิน <c oughs> กิน <c oughs> กินอยากเย็นจะเป็นจะเป็นจะตาย <c oughs> เมากับแผ่นดินกลบแทบไม่มีที่จะยืนพับันปัจจุบัก็ยังติดอยู่ <c oughs> ดูรสชาติ ที่มันมอมเมารถแค่นี้เราก็ติดรถชาติแค่นี้เราก็ติดนอกจากนั้นล้วก็ประมาดขับรถประมาดความไม่รอบคอบแต่เราจะระวังขนาดไหนก็ตามเวลามันอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็ว่าเราประมาด ถ, ถ้าไม่ใส่ประมาดไม่รู้จ ะ, ะใส่อะไรล่ะใส่ประมาดซะก่อนล่ะใส่ประมาดซะก่อน เงินอย่างอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้ไอ้ที่เราทำเนี่ยนี่เราทาแค่เป็นสื่อเท่านั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยส่งน้าพระเนี่ยเป็นสื่อเป็นสื่อเพื่อระบุบง่งบอกไปถึงว่าทุกคนเนี่ยต้องการความสุขความเจริญความชุ่มเย็นต้องการความดีงามต้องการความร่ำรวยมั่งมี ม, ม, มีลาบมียศมีเกียรติมีศักดิ์ศรี แต่เรื่องเหล่านั้นทั้งหมดเป็นเรื่องที่จะต้องทำเอาทั้งนั้นมันไม่ใช่มีเรื่องไหนที่จะเกิดขึ้นเองไม่มีไม่มีเรื่องใดแม้เรื่องเดียวที่พูดมาทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นเองมีขึ้นเองไม่มีมีแต่ต้องทำเอาทั้งนั้นแต่จะว่าไปอีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นหลักฐานประจักษ์พยานชี้ชัดมาว่า เราต้องการความสุขความเจริญเราจะตั้งใจสร้างคุณงามความดีเราจะตั้งใจขยันขันแข็งตั้งใจจะอดจะทนจะภาคจะเพียรจะต่อสู้จะฝ่าจะฝืนจะตั้งใจรักษาศีลประพฤติธธ ร, รมปฏิบัติธรรมศีลธรรมเนี่ยทิ้งไม่ได้นะศีลธรรมเนเพราะอันนี้เป็นเหตุเพื่อความสุขเพื่อความเจริญอย่างเที่ยงตรงทีเดียวเลยไม่มีเหตุผลอื่นใด เหตุผลอย่างอื่นนี่บางทีเราก็เอาเป็นเกณฑ์เป็นประมาณไม่ได้แต่เหตุผลของศีลของธรรมเนี่ตรงแน่วเลยต่อความสุขความเจริญอย่างแท้จริงคิดดูคิดดูแต่ว่าเราซื่อตรงด้วยกายด้วยวายจาแล้วยังไม่พอต้องมาซื่อตรงที่ใจอีกรักษาความสงบที่กายที่วาจาด้วยศีลแล้วยังไม่พอต้องจะต้องมารักษาความสงบที่ใจอีกเพราะความสุขความทุกข์เนี่ยมันดันมันจะข้างใน มันดันออกมาจากข้างในแล้วก็พฤติกรรมทุกอย่างที่เราจะพึงแสดงออกมามันก็แสดงออกมาจากข้างในตัวนี้สําคัญที่สุดที่เราทําอย่างนี้เท่ากับเรามาปฏิญาณตนว่าเราจะต้องสร้างคุณงามความดีเราจะต้องขยันกันแข็งเราจะต้องอดต้องทนต้องไม่ทิ้งศีลไม่ทิ้งธรรมต้องตรงแนวไปตั้หลักหลักแห่งคุณงามความดีอย่างได้จริงเป็นสัญลักษณ์อย่างนั้นนะเนี่ยที่เรามาส่งน้ําเนี่ย ไม่ใช่เรามาสง่งแล้วก็มีอะไรมีอะไรเป็นลาเป็นยศลอยมาเป็นก้อนเป็นก้อนคอยที่จะมาทุ่มให้เราไม่ใช่เป็นสัญลักษณ์ประกาศบง่งบอกเนี่ยอเสร็จแล้วไปทําเอาให้ได้ตามนี้ก็แล้วกันนะฮะไปทําเอาให้ได้ตามนี้ <laughs> แล้วก็ส่งน้ําส่งน้ําพระนะไม่ใช่ธรรมดาเอาพระเป็นปิจักพยานเสียด้วยเนี่ย เป็นการมาปัตญาณตัวเองเพื่อสร้างคุณงามความดีเพื่อความสุขเพื่อความเจริญใครก็ต้องการทั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสคนเราที่เกิดขึ้นมาในโลกปรารถนาให้ตัวเองมีความสุขมีความเจริญอยู่เย็นเป็นสุขประาศจากทุกข์ปราศจากเวรประาศจากภัยตายแล้วขอให้ไปสู่สุคติปรารถนาด้วยกันอย่างนี้ทั้งนั้น นอกจากปรารถนาตัวเองและประารถนาพ่อตัวเองแม่ของตัวเองลูกตัวเองหลานตัวเองผัวตัวเองเมียตัวเองญาติพี่น้อ ง, องอของตัวเองเพื่อนฝูงของตัวเองอยู่เย็นเป็นสุขปรารถนาสิ่งใดก็ได้ตามไอสมหวังตามใจหวังทุกอย่างทุกประการตายแล้วขล้อยไปสู่สุกติทุกคนมีความหวังมีความปรารถนาแต่ความหวังนี้ก็ตามความปรารถนานี้ก็ตาม เป็นเป้าประสงค์ที่เราตั้งเอาไว้เท่านั้นเองเหมือนกับที่เราส่งน้ำพระเป็นสื่อนี่แหละเป็นเป้าประสงค์เป็นเป้าที่เราตั้งเอาไว้แล้วก็เพเราพยายามจะเดินเข้าไปให้ถึงเนี่ยเห็นไหมอุติเจ้าท่านสอนมีเหตุมีผลอยู่ในนั้นหมดเพราะอะไรเพราะทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้นสิ่งใดที่เกิดขึ้นมาสิ่งนั้นมาจากเหตุมีเหตุแล้วถึงจะมีผลเกิดขึ้น ไม่มีผลใดๆที่ประสิทธิเหตุไม่มีเหตุใดๆที่จะประสิทธิผลเราเข้าใจหลักสองหลักแค่นี้เราได้เราเข้าถึงธรรมที่ละเอียดลึกพอสมควรทำให้ชีวิตของเราเมมีมีหลักมีเกณฑ์ฟังแต่ภาษารีบุตรท่านฟังธรรมจากพระอาษิชีเนี่ยสิ่งใดเกิดที่เหตุสิ่งนั้นดับเพราะเหตุตรงแนวมาตรงนี้เรื่องเหตุกับผลอย่างเดียวเท่านั้นเอง แค่นี้พระอาสิชิแสดงยอดของธรรมแค่นี้พราสาธิบุตรฟังยังไม่ได้ขยายความอะไรนะปึง้งเดียวได้เป็นพระสวดาบันภาษระารีบุตรนะสมัยนั้นเป็นปริพาชกอะนี่เป็นยอดของพระพุทธศาสนาที่แท้จริงคือประกอบไปด้วยเหตุกับผลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไปปรารถนาตั้งใจปรารถนาวังแบบลอยลอยล ม, ลมแรงแรงเนี่ยมันไม่สมหวังมันไม่สมหวัง แต่โดยโดย้ว ย, ยนิสัยของจิตไม่ว่าจิตเราจิตท่านเน่ย <c oughs> ไอเรื่องขอยข อ, ยขอยากได้ขอขอได้ทําอะไรได้ตามใจชอบชอบแท้แท้แหละแต่เหตุผลที่แท้จริงมันเปลี่ยนไปไม่ได้ทําอะไรตามใจชอบเพราะในใจของเรามันมีทั้งกิเล็มันมีทั้งธรรมอยู่ในนั้นฉะนั้นท่านจะเรียกว่าทิฏฐิทิฏฐิท่านจะมีคํากํากับไปอีกว่าสัมมาทิฏฐิ ปัญญาปัญญานะ่ท่านยังมีคำกล่าวไปอีกว่าสัมมาปัญญาสัมมาเนี่ยแปลว่าชอบเขาหมาชอบหมายว่าชอบได้เหตุได้ผลชอบได้ศีลได้ธรรมแต่ถ้าไม่ใช่ชอบได้ศีลได้ธรรมแล้วมันที่จะให้ความสุขโดยตรงไหมไม่มีมันมีความทุกข์ผลมามากมีความทุกข์ผลเปื้อนมามากต่อมากมันไม่ใช่ความสุขที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเนี่ยพวกเรา ได้เปรียบมีโอกาสศึกษาใครครวญแล้วก็ตั้งอกตั้งใจถือตามประพฤติตามปฏิบัติธรรมทุกอย่างเกิดจากเหตุเท่านั้นเราหวังสิ่งใดๆสิ่งนั้นเกิดขึ้นจากเหตุใดเราหวังสิ่งใดสิ่งนั้นเกิดขึ้นจากเหตุใดพยายามสร้างสิ่งนั้นเมื่ออยากเราอยากสำเร็จการศึกษาเนี่ยทำไงต้องเรียนต้องทําต้องสอบให้ได้สอบครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ผ่านส อ, สองครั้งก็ยังไม่ผ่านสาครั้งก็ยังไม่ผ่าน ทำไมถึงไม่ผ่านกเพราะทำไม่ได้ทำไมมันถึงไม่ผ่านก็เพราะทำไม่ได้คือเหตุยังไม่สมบูรณ์อเนียมันก็มีอยู่อย่างนี้แหละแล้วก็ไม่มีเหตุใดๆที่เราไปลงมือทําไปทําในที่แจ้งทําในที่รับไปทําในที่ไหนๆก็ตามผลก็ต้องตามมาเอ๊ะทําไมถึงแปลกเรื่องของกรรมเนี่ย ไปแอบทำในที่ลับๆทำไมมันถึงให้ผลมันรับได้รับคนอื่นได้แต่ตัวเองมันรับไม่ได้ก็ผู้รู้เนี่ยเป็นผู้เก็บสะสมกรรมเองผู้รู้คือใจดวงนั้นใจดวงนั้นเป็นเป็นผู้ตั้งเจตนาลงไปทำทำอะไรลงไปทำดีหรือไม่ดีทำผิดศีลหรือผิดธรรมทำทุกโทษให้กับตัวเองก็ตามผลก็ตามมามันไม่ตามไปที่ไหนมันตามไปตรงที่ต้นตอที่ทำมันน่ะ ผู้ที่ดําริผู้ที่ตั้งเจตจํานง น, น่ะผู้นั้นแหละเป็นผู้ทําก็คือใครอ่ะคือใจเพราะฉะนั้นท้ายิ้งว่าไม่มีความลับในโลกอนัตนาทิโลเกระโหนามะชื่อว่าที่ลับของผู้ทําบาปกรรมไม่มีในโลกขึ้นชื่อว่าที่ลับของผู้ทําบาปกรรมไม่มีในโลกเพราะฉะนั้นตำรวจเขาจึงสามารถไปตามจับผู้ลายได้ อันนี้ขนาดความรู้หลักวิชาการถามจับจนได้ถามนนท์ถาม น, ามนี้ถามนี่ได้แค่ข้อมูลนี้เนีิดสอบไปสอบมาสอบมาเสร็จ <c oughs> <c oughs> ทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากเหตุจับหลักแค่นี้ได้เราได้หลักแห่งความฉลาดศึกษาไปเรื่อยๆให้ครวญไปเรื่อยๆจะทำให้เราฉลาดเราต้องการมั่งมีอยู่เย็นเป็นสุขสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากเหตุเราทําเหตุใดๆบ้าง ไม่ใช่ปรารถนาแล้วก็ได้ปรารถนานั้นมันเป็นการตั้งเจตจํานงเอาไว้แต่ก็ทําให้เราชุ่มใจทําให้เราพลอยใจทําให้เราชื่นใจทําให้เราดีใจไปขั้นหนึ่งระ ด, ดับหนึ่งคือเชื่อว่าชีวิตชีวิตของเราชีวิตของท่านชีวิตของใครก็ตามเกิดขึ้นมาอุบัติขึ้นมาท่ามกลางกองทุกข์เราดูแต่อุแวต ท, ที่แรกๆทุกข์หรือไม่ทุกข์พอมาสัมผัสอากาศ ทีแรกปรั๊บอแว่ขึ้นมาทันทีปกติจะเป็นอย่างั้น <c> ่ะ <oughs> ท่ามกลางกองทุกเกิดขึ้นมาท่ามกลางกองทุกเป็นมาก็เปลี่ยนมาด้วยเหตุปัจจัยเพื่อความทุกเพื่อกองทุกเหตุปัจจัยลึกเข้าไปก็คือเหตุปัจจัยของกิเลสตัณหาที่มันมีอยู่ในหัว ใ, ใจของเราถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านั้น่ะเราไม่ต้องมาเกิดอืมเราไม่ต้องมาเกิดด้วยเหตุที่มันมีมาแล้วมันส่งมาแล้ว เราจะต้องมาตามแก้มันทีหลังเหมือนอย่างเรามาระลึกรู้สึกตัวพระอริยเจ้าท่านระลึกรู้สึกตัวได้ครับตามแก้แก้จนจบแก้จนหมดอืเป็นอันว่าไม่ต้องไปเกิดอืไม่ต้องไปเกิดไม่ต้องเกิดแล้วก็ไม่ต้องตายคําว่าไม่ตายคําว่าไม่ตายของพระอริยะนี่หมายความว่าจิตของท่านไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปแล้วร่างกายไม่ใช่พระอริยร่างกายไม่ใช่พระพุทธเจ้า เป็นพระรูปแต่ ว, ว่าผู้ที่เป็นผู้พุทธเจ้าก็คือพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระองค์นั่นแหะไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอื่นอีกแล้วคําว่าเปลี่ยนแปลงในที่นี้หมายความว่าไปด้วยพลังของภพไปด้วยพลังของชาติไปด้วยพลังของกรรมหมดกรรมใดๆที่จะตามไปที่จะตามส่งไปถึงนู้นไปถึงนี้มันไม่มีที่เกิดเพราะมันหมดตัณหามันหมดอุปาทาน มันหมดที่จะไปเกิดเลยไม่ต้องไปเกิดจิตดวงนี้เป็นจิตหนึ่งเดียวก็ไม่สูญไปไหนก็ยั ง, ย, งยังมีอยู่ในโลกยังมีอยู่ในโลกเหมือนอย่างที่พวกเราทําอะไรแล้วปรารถนาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในหัวใจเราตั้งใจรักษาศีลปฏิบัติทําให้ยิ่งขึ้นไปเราจะเริ่มเห็นพระพุทธเจ้าได้อาดได้ทําเต็มเปี่ยมเหมือนพระองค์เห็นพระองค์เต็มองค์องค์พุทธเถ้แท้คือองค์ผู้รู้ผู้ตรัสรู้ ผู้พ้ทุกข์พ้โทษผู้เป็นหนึ่งเดียวผู้ไม่ต้องมีการสถานที่เวลาเวลาไปจํากัดอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตกาลไม่มีกิริยาเหตุเพื่อความสุขเพื่อความทุกข์ใดอย่างอื่นไม่มีเหตุไม่มีกิริยาเพื่อความสุขเพื่อความทุกข์ใดๆอย่างอื่นแต่กิริยาแบบนั้นผลแบบนั้นพุติยัตสังงตรัสว่าประมังสุขังประมังสุขขั ง, ป ง, ขขงเป็นความสุขอย่างยิ่ง ถ้เป็นหาความสุขนะสองกราเนี้อย่าให้ชุ่มไม่เย็นเพราะมันร้อนอากาศร้อนก็รถเอาบุญจริงจริงอย่าไปเมารถนะอย่าไปเมาแล้วก็รถอันตรายเดี๋ยวนี้เขาห้ามมั้งนะห้ามนั่งรถไปเล่นที่นู่นที่นี่ใช่ไหมเออไปสาดกันไปล้อู้อันตรายมากแต่มันห้ามได้อยู่แต่บรรณนอกมันยังวิ่งเล่นเล่นกันสนุกอยู่นะเด็กมันดื้ออ่ะ แต่ถ้าหากผู้หลักผู้ใหญ่เขาตั้งใจยิงยังไม่ให้มันออกมันก็ได้อยู่บางทีมันก็ลอยออกเฝ้าอยู่ข้างหน้ามันออกข้างหลัง <c oughs> <c oughs> เอาให้พรให้พรนี่นะวิวดีแลนเนี่ยเปิดบริการเลยนะวิวดีแลนเออทําดีดีนี่น่าอยู่ดีโอ้โหแต่แอร์น่าดูเลยแหละร้อน กูดมาถึงแต่เมื่อวานนหรอออไหนวันนี้เป็นวันเบิร์ดเดย์เสด้วยนะอ่าทั้งใจภาวนานะตั้งใจภาวนาเอาบุญเข้าสูงหัวใจกองทุกข์เกิดกองทุกข์เหล่านี้ไม่มีใดๆช่วยได้นอกจากบุญบุญด้วยวัตถุทานบุญด้วยตั้งใจรักษาศีลบุญด้วยภาวนาชําระจิตของตัวเองบุญเหล่านี้ช่วยเราได้ เพื่อพยุงภพชาติของเราให้สูงขึ้นให้เด่นขึ้นได้ <c oughs>